ข อ, อนอบน้อมพระราตนาฏัยขอาการประชนรันเปรียาน้องพ่อกรมกุบบายการทุกท่านแล้วก็ขอาการเพื่อนธรรมทุกคนเจริญในธรรมไม่ชีแล้วก็ญาติธรรมทุกคนก็ผมหรืออาตมาบางทีมักจะเจอคําถามนะสานองประมาณว่าเห็นเราทํางานหลายอย่างนะไม่ค่อยได้อยู่ นิ่งนะแล้วก็เขาก็ถามมักจะถามว่าแล้วมีเวลาปฏิบัติธรรมหรือเปล่าก็ก็สะท้อนมุมมองหรือวิธีคิดนะที่ที่อาจจะคิดถึงว่าเออการปฏิบัติธรรมนี้เราต้องมีเวลาที่ไม่ต้องทํางานหรือว่าต้องปฏิบัติในรูปแบบเดินจงกรมหรือนั่งยกมือสร้างจังหวะแต่จริงใน ในประเด็นที่เขาถามก็ถามไม่ใช่ถามในเชิงตำหนิติดเตียนอะไรนะแต่ถามเหมือนว่าเออหน้าน่าเห็นใจหรือว่าหน้าสงสารที่เราเอาเวลาไปทําการงานแล้วก็เวลาในการปฏิบัติในรูปแบบมันก็น้อยหรือว่ามีช่วงเวลาไหนไหมที่เราจะสรรเวลาในการทําเช่นนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อสงสัยหนึ่งที่ที่มักจะอืมต้องตอบอยู่เสมอ หรือบางทีก็จะมีคนมักจะถามว่าแล้วเราจะปฏิบัติทมอย่างไรในการทำการทำงานหรือบางทีหลายคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมก็จะก็จะรู้สึกกังวลใจนะเวลาเราปฏิบัติในวัดหรือปฏิบัติในรูปแบบก็พอปฏิบัติได้แต่พอกลับไปที่บ้านกลับไปที่ทำงานก็รู้สึกว่ามันปฏิบัติยากเหลือเกินนะ การเจอสติมันมันแทบจะไม่ต่อเนื่องหรือเรียกว่าบางช่วงก็หลงลืมสติไปเลยนะกว่าจะเลิกได้ก็ก็นานมากอันนี้ก็เลยผมคิดว่าประเด็นพวกนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่น่าสนใจเนาะเพราะว่าญาติโยมหลายคนก็คงอยู่วัดได้ไม่นานก็ต้องกลับไปทําการทํางานหรือแม้แต่พระบางท่านนะออกปรรษาไปแล้วก็ศึก ออกไปรับผิดชอบการงานรับผิดชอบครอบครัวต่อไป <S <S <S คิดว่าการประเด็นเรื่องการทํางานกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ก็ถ้าเราสามารถกระทําได้นะในในชีวิตประจำวันมันก็จะเป็นทําให้การปฏิบัติธรรมของเรานี่ไม่ใช่การงานจะเป็นภาระนะหรือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เป็นอุปสรรคหรือว่าขณะที่ปฏิ ทำงานก็ไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้กับผมนะรือว่าอจะมาก็ไต่อไปก็เราเราก็ปฏิบัติธรรมในตอนที่เราทํางานนั่นแหละนะแต่ส่วนเวลาไหนที่ไม่ทํางานเรากนะ็ปฏิบัติในรูปแบบของเราไปนะเราก็ไม่ได้แยกว่าการปฏิบัติธรรมมันจะต้องไม่ต้องทํางานแล้วถึงจะปฏิบัติธรรมได้ เราก็อาศัยการทํางานนั่นแหละเป็นการปฏิบัติธรรมอันนี้นะคิดว่าถ้าพวกเราวางใจว่าอาศัยการทํางานเป็นการปฏิบัติธรรมนะมันสามารถทําได้แต่อย่างหนึ่งมันก็มีวิธีคิดหรือว่ามีมุมมองเนื่องการทํางานนะอผมคิดว่าบางทีวิธีคิดหรือมุมมองเกี่ยวกับการทํางานเนี่ยถ้าเราวางใจไว้ผิดน ะ, นะจิตเราก็ทุกข์เพราะอะไร พบางคนเห็นว่าการงานเนี่ยมันเป็นภาระเห็นว่าการงานเนี่ยเป็นอุปสรรคนะหรือว่าเห็นการงานเป็นความวุ่นวายนะมันก็เลยคิดว่าเอ๊การทําการทํางานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เสียเวลาหรือเป็นสิ่งที่เสียพลังงานมากหรือเป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจมันฟุ้งซ่านวุ่นวายทําให้เหนื่อยทําให้เครียดได้ง่ายถ้าเรามองแต่มุมนั้นของการงานนะจิตใจเราก็จะทุกข์นะ ทุกเพราะว่าเออเราต้องมาเสียเวลากับการทํางานนะเราต้องมาเสียอารมณ์กับการพบปะกับผู้คนกับการต่อรองกับการทำนั่นทานีน่ถ้าเรามองแต่มุมนั้นนะชีวิตมันก็จะทุกข์มากนะจะเห็นว่าการทํางานเนี่ยอยากจะทําให้มันเสร็จเร็วๆนะอยากจะทําให้มันจบๆไปหรือบางทีพอแค่รู้ว่าจะต้องทํางานนี้ก็จิตก็เครียดจิตก็ทุกข์แล้วนะ จิตก็ไม่อยากจะเอาละนะหรือบางทีมันก็จะหาช่องที่จะเรี่ยงที่จะหลบให้ได้มากที่สุดนะไม่อยากทำให้คนอื่นทำดีกว่าถ้าเราวางจิตเช่นนี้นะจิตเราก็จะทุกข์ตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าต้องทำงานละนะหรือว่าขนาที่ทำงานไปก็ทำด้วยความไม่สบายใจทำด้วยความทุกข์ไม่ทำด้วยความสุขหรือความพอใจในการทางานนะหรือว่าทำไปแล้ว ก็รู้สึกเออเหนื่อยเหลือเกิน อ, อ่าท้อเหลือเกินไม่อยากทําอีกแล้วคือเรียกว่าตั้งแต่ก่อนทำหรือขณะที่ทําหรือว่าทําเสร็จแล้วก็ไม่พบความสุขกับการทํางานนะแต่จริงจังพุทธทาสท่านท่านกล่าวไว้นะท่านบอกว่าการทํางานนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมนะถ้าเราอาศัยการวางใจไว้ถูกนะอาศัยว่าการทํางานนั่นแหละเป็นการที่เรา สามารถปฏิบัติธรรมในการทํางานได้ด้วยการอะไรนะอาจจะต้องเรียกว่าวางวิธีคิดนะหรือว่าวางจิตให้ถูกก่อนว่าที่จริงถ้ากายเราทําอะไรนะเราก็สามารถมีสติรู้ตัวขณะที่กายทําทุกอย่างได้นะจะทําการงานที่หาเงินหรือว่าการทําการงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้วยเงินก็ดีหรือการทํากิจวัตรต่างๆก็ดีนะเนะี่ยเราก็มีกายที่เคลื่อนไหวอยู่เสมอ แล้วก็ใสนะ่ในการดูกายนะที่เคลื่อนไหวขณะที่ทำนั่นทำนีนะ่หรือบางทีในการงานที่เราเกี่ยวข้องนะกับผู้คนเกี่ยวข้องกับความคิดเกี่ยวข้องกับการวางแผนต่างๆบางทีการดูกายอาจจะดูได้ไม่ชัดนะเท่ากับการดูจิตใจเราก็ใส่เปลี่ยนฐานมาดูจิตใจมาดูอารมณ์มาดูความรู้สึก หรือว่ามาดูความคิดที่มันเกิดขึ้นขณะที่ทําตรงนั้นเนี่ยเราก็สามารถเออกลับมาเห็นได้ว่าที่จริงทุกขณะที่เราทํางานเนาะมันก็มีบางทีก็มีความคิดบางทีก็มีอารมณ์มีก็บางทีก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นเราก็สามารถรู้สึกตัวกับกับการ อ, อ่ารู้ทันอารมณ์ความคิดตัวนี้ได้อันนี้คือถ้าเราทํางานที่นี้นะจิตใจของเราก็จะเรียกว่าเ อ, อ่อเห็น เห็นอารมณ์ตัวเองขณะที่ทำํำแต่บางทีนะถ้าเราวางจิตไว้ถูกนะเราจะมีความสุขหรือว่าสนุกกับการทำงานเพราะอะไรบางทีงานหลายๆอย่างเนี่ยมันมีประโยชน์มากมีประโยชน์เช่นบางคนทําครัวทําอาหารเนี่ยมันมีประโยชน์นะเราไม่ทําอาหารเพียงแค่เรารับประทานเรากินคนเดียวแต่เราทําอาหารถวายทานกับพระก็ดีนะใช่ไหม เราอยู่ที่บ้านเราทำอาหารถวายให้กับพระในการใส่บาตรทำอาหารเลี้ยงครอบครัวนะหรือว่าอยู่ที่วัดเราทำอาหารให้กับหมู่สงฆ์หรือผู้ปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นบุญที่เราได้ทำจากการทาครัวเราทำงานให้กับวัดนะจะเป็นงานกรรมกรจะเป็นงานใช้ความคิดอะไรก็ได้แต่มันไม่ใช่เกิดประโยชน์นะแค่กับตัวของเราเองที่เราเป็นตัวนหนึ่ง ของหมู่คณะเท่านั้นมันยังเกิดประโยชน์ต่อต่อวัดที่จริงถ้าจะมองให้เป็นลึกกว่านั้นนะมันเกิดประโยชน์ต่อพุทธศาสนาก็ว่าได้นะหรือถ้ามองกว้างกว่านั้นมันเกิดประโยชน์ต่อทั้งโลกนะไม่ใช่แค่เพียงแค่พุทธศาสนาเท่านั้นถ้าใครที่เขาแม้ไม่นับถือพุทธศาสนาแต่เข้ามาที่วัดแห่งนี้เขาได้มาปฏิบัติธรรมเขาได้มาเรียนรู้จากชีวิตของเขา เขาก็ได้ประโยชน์ละอันนี้เถือเราปลูกต้นไม้นะเราปลูกต้นไม้งานปลูกต้นไม้มันก็มีประโยชน์ในการที่ทําให้โรคมันน่าอยู่ขึ้นนะทําให้สิ่งวแวดล้อมมันดีขึ้นเราก็อยู่ในโลกนี้มันก็ดีขึ้นหรือถ้าจะมองมากกว่า น, นั้นนะปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งมันก็กระเทือนไปถึงทั้งจักรวาลเลยก็ว่าได้มันคือถ้าเรามองที่ประโยชน์ของงานนะมันก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราทําเนี่ย นะแม้มาอาจจะเหนื่อยกายแต่มันเกิดประโยชน์ต่อโรคใบนี้นะเกิดประโยชน์ต่อผู้คนต่างๆมากมายบางคนมีอาชีพเป็นหมอเป็นพยาบาลเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าเอออาชีพวันนี้นเกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือคนให้พ้นจากความทุกข์ทางกายได้มากนะหรือถ้าฝึกนะจิตใจตัวเองดีพอสมควรเราไม่รักษาแค่โรคทางกายเราพยายามที่จะ ทำให้จิตใจเขาคลายจากความทุกข์ด้วยคลายความกังวลด้วยอันนี้ก็เป็นการช่วยในทางใจด้วยหรือบางคนเป็นอาจารย์เป็นครูใช่ไหมเราก็ไม่สอนเพียงแค่หนังสือไม่สอนเพียงแค่ความรู้แต่เราสอนคนให้รู้จักใช้ชีวิตสอนคนให้รู้จักในการดําเนินชีวิตในทางที่ถู ก, ใ น, ถกในทางที่ควรนะเนี่ยมันก็เป็นงานที่เรียกว่าเกิดประโยชน์นในขณะที่เราทําด้วย หรือเราเป็นพระเป็นแม่ชีเป็นนักปฏิบัติธรรมก็ดีนะที่จริงมันก็มีงานนะมีงานเหมือนกันอย่างบินธบาตนะในตอนเช้าถ้าเราคิดว่าเออมันเป็นภาระเป็นหน้าที่ต้องถ้านะไปแบกบาตรนะไปรับข้าวของมันหนักมันเหนื่อยหรือต้องเดินเท้าเปล่าเจ็บก็เจ็บบางวันก็หนาวบางคือบางวันก็ฝนตก มันลำบากกายนะเอนะถ้าเรามองในมุมนั้นมันก็เป็นการออกไปบินรบุรุกเช้ามันก็เป็นภาระนะมันก็เป็นความเหนื่อยแต่จริงถ้าเรามองเออในขณะที่เราไปเจอความยากลําบากบ้างนะแต่ความยากลาบากนั้นมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้จากจิตใจของตัวเองดีนะนะบางวันนี่ฝนตกนี่มีไหมพวกเรามีคิดฝนตกบางทีภาวนาให้ฝนตกหนักๆนะ จะได้ไม่ต้องออกไปบินทบาทนะอ่อบางทีนะบางทีเราจะรู้สึกไหมบางทีวันวันไหนได้เดินสายบินทบาทได้ใกล้ใกล้นี่ก็เออก็ดีใจได้เดินสายไหนที่มันไม่เจ็บเท้ามากเออรู้สึกดีถ้าวันไหนได้เดินสายไกลๆหรือสายที่เจ็บนะเจ็บเท้าหน่อยหรือสายที่เดินแล้วก็หนักหน่อยนะก็รู้สึกเออไม่ค่อยชอบใจที่จริง ไอ้ความคิดหรืออารมณ์พวกนี้มันมันไม่ใช่ผิดโดยตัวของมันเองเนาะเพราะว่าถ้าเรานะฝึกปฏิบัติธรรมจริงๆหรือฝึกดูจิตของเราหรือว่าดูกายก็ดีนะบางทีแน่นอนแบบความคิดในการที่จะเห็นว่าการงานเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นสิ่งที่มีคุณค่านะมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาหรอกนะบางทีพวกนี้นเป็นวิธีคิดซึ่งหลายหลายคนก็คิดได้ แต่พอทำงานไปจริงๆล่ะจิตมันไม่ได้คิดแบบนี้ตลอดหรอกนะจิตบางทีทำงานเนี่ยมันก็มีความเหนื่อยมีความร้านะเวลาเราทำงานมากๆเนี่ยกายมันเหนื่อยกายมันร้าเนี่ยมันก็รู้สึกทอนะอย่างบางคนเนี่ยได้ไปขุดดินนะช่วงไหนที่ดินมันอ่อนๆเนี่ยมันก็รู้สึกเออทำไปก็ไม่เหนื่อยไม่เคยทุบเท่าไหร่แต่เจอทางลูกกรังเจอทางถนนเนี้ย บางทีขุดไปก็อาจจะท้อง่ายๆนะอะทำไมมันแข็งแต่เกินเมื่อไหร่มันจะเสร็จเจ็บมือก็เจ็บมื อ, มอ น, นะจิตมันก็เกิดความท้ออะไรได้เหมือนกันนะซึ่งพวกเนี้มันเป็นธรรมชาติาเวลาทํางานแล้วมันไม่ใช่ว่าจะมีแต่อารมณ์บวกด้านเดียวไม่ได้จะมีแต่ความสุขสนุกในการทํางานอย่างเดียวหรอกบางทีมันก็มีอารมณ์ในด้านลบนมีความคิดต่างๆเกิดขึ้นเราต้องอาศัยนี่แหละ ไม่ต้องเสแสร้รงว่าเราจะต้องเป็นคนดีเราต้องคิดดีตลอดเวลาเนะไม่ใช่นะบางวันขณะเราทำงานหรือก่อนทำงานเราขี้เกียจแล้วก็แค่รู้ทันว่าจิตมันมีความขี้เกียจขี้ค้านเกิดขึ้น น, นะบางวันบางขณะที่ทำงานไปเราเกิดความท้อใจเราก็แค่รู้ทันว่าจิตมันเกิดความท้อนะบางขณะที่ทำงานไปมันมีความสุขมันมีความสนุกมาก ทำไปไม่อยากจะพักนะหรือว่าทำไปแล้วเพื่อนพักแล้วเพื่อนบอกให้พอเราก็ไม่ยอมพอสัทีเพราะว่ากำลังอินนะกำลังสนุกอยู่เลยนะถ้าเกิดความเรียกว่าไม่ยอมก็มีนะเราก็ต้องอาศัยรู้ทันว่าเออจิตตอนะมันมีความรู้สึกอย่างไรเพราะนั้นการทำงานเนี่ยถ้าโดยย่อๆนะก็ผมว่าบางทีถ้าทำการงานบางอย่างที่ไม่ต้องใช้ความคิด หรือว่าการเคลื่อนไหวไม่ได้รวดเร็วหรือว่าดุนแรงเกินไปเนี่ยเราสามารถนะตามรู้กายที่เคลื่อนไหวในการทำงานเนาะบางคนคิดว่าอย่างเราทำงานเนี่ยให้จิตเราอยู่กับงานได้ไหมมันก็ได้นะแต่การได้การที่เราจิตไปผูกกับงานเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่เรื่องการฝึกสติโดยแท้จริงนะมันเป็นเรื่องของสมาธิเสียมากกว่านะบางคนบอกว่า กวาดบ้านก็ให้จิตเราอยู like ่กับการกวาดบ้านนะล้างจานก็ให้จิตอยู่กับการล้างจานนะแต่มันก็บางทีมันก็ไม่ใช่ต่างจากการที่เราดูหนังเนาะแล้วจิตเราก็ไปอยู่ไปผูกกับเรื่องที่หนังที่เราดูนะหรือเราฟังเพลงจิตเราก็ไปผูกกับเพลงที่เราฟังแบบเนี้ยนะจิตพอไปผูกกับวัตถุภายนอกหรือผูกกับงานภายนอกนะมันเป็นสมาธินะมันเป็นสมาธิ มันกับเราอ่านหนังสือนิยายหรืออ่านละครต่างๆแล้วจิตเราไปผูกกับตัวละครไปผูกกับเรื่องราวที่เขาเขียนนี่ยมันมีความสุขเนาะมันมีความสนุกแล้วก็มันก็เหมือนกับดื่มเรื่องภายนอกไปเลยนะจะมีคนเดินผ่านจะมีเสียงดังบางทีเราก็ไม่สนใจไม่รับรู้ได้ทาไปนะอันนี้นมาเป็นเรียอว่าจิตเราไปผูกกับสิ่งภายนอกอันนั้นเป็นเพียงแค่สมาธินะแต่ก็อันนี้ บางทีก็เป็นสมาธิที่จมที่แช่นะกับอารมณ์ได้ซ้ําไปนะหรือบางทีก็เป็นความหลงความเพลินไปกับนะไปกับอารมณ์ความคิดไปเลยนะแต่บางทีมันก็ทําให้เรามีความเรียกว่ามีความเพลินในการทําก็มีแต่ที่จริงกับ ผ, ผมคิดว่านะเราไม่เราไม่ควรที่ผูกจิตไว้กับนะไว้กับอ่าวัตถุภายนอกนะแต่เราควรที่จะเรีย ก, ยกว่า ตามรู้กายนะที่มันเคลื่อนไหวในการทํางานเช่นเรากวาดบ้านจิตเราไม่ให้ไปจดจ่ออยู่กับว่านะเราจะต้องกวาดให้มันดีกวาดให้มันสะอาดหรือจิตไปจดจ่ออยู่กับที่ด้านไม้กวาดหรือว่าไม้ถูพื้นแต่เราควรที่จะดูดูกายของเราเนี่ยแหละในขณะที่เคลื่อนไหวนะในการเดินในการมือที่เคลื่อน คืออิเดยยบ ท, ที่เคลื่อนนั่นแหละให้เราคอยตามรู้อิรียบ ท, ที่เคลื่อนไหวอยู่เสมอนะรู้แบบ ร, มรวมมรู้แบบสบายๆนะกายเคลื่อนไหวแบบไหนเราก็ตามรู้กายที่เคลื่อนไหวไปล้างจานก็เหมือนกันจิตไม่ให้อยู่กับกับจานไม่อยู่กับน้ำที่ล้างแต่จิตนะ่ะตามรู้กายที่เคลื่อนขณะที่หยิบจับอะไรต่างๆคือเราเห็นกายของเรามันเคลื่อนไปเรื่อยๆนะ่ะ เห็นรูปได้ว่าเห็นรูปเขาเคลื่อนไหวเขาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหรือบางทีความคิดหรือว่าอารมณ์เกิดขึ้นในการที่ทํางานทําการเราก็แค่คอยรู้ทันอ้อนะรู้ทันความคิดหรือว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจะเป็นความคิดด้านบวกก็ตามจะเป็นความคิดด้านลบก็ตามหรือความรู้สึกที่เป็นกลางๆก็ตามเกิดขึ้นเออล้วก็แค่รู้ทันว่าเออจิตมันมีความคิดมันมีอารมณ์นี้เกิดขึ้น เนี่ยเราก็คอยตามรู้ทุกขณะที่เราทำการทำงานหรือบางทีถ้าเป็นการงานที่มันทำอย่างรวดเร็วหรือว่าต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายนะหรืองานประชุมต่างๆบางทนะีนอกจากเรื่องที่เราต้องต้องคิดตามนะต้องใส่ใจตามแล้วเ ร, เราก็สามารถเรียนรู้ใจเรานะขนาดที่เรียกว่ามันมีอารมณ์เกิดขึ้นนะ เราคุยกับผู้คนบางทีความคิดมันเกิดขึ้นเอเราก็รู้ทันความคิดนะที่คุยไปแล้วเกิดอารมณ์สุขเกิดขึ้นเราก็รู้ทันอารมณ์สุขนะในใจเราก็ได้นะเรียนรู้ไปแล้วเกิดความขัดใจนะเกิดขึ้นในใจเราก็ดูมันก็ได้คือเราก็อาศัยดูความเป็นจริงที่มันแสดงกับกายกับใจนี่แหละนะมันแสดงอะไรก็ตามเนาะเราดูมันนะเราดูมัน มันจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ดูมันไม่ได้เลือกปฏิเสธว่าเ อ, อจะต้องเอาแต่ความคิดที่ดีอย่างเดียวความคิดที่ไม่ดีไม่เอาไม่เอานะนะถ้าเรารู้สึกว่านะความคิดที่มันดีอย่างเดียวแล้วอย่ารักษาไว้ตลอดเนะี่ยมันก็เป็นการเรียกว่าเป็นความความหลงอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะหลงในการที่จะอยากนะอยากให้เรียกว่ามันดีอย่างเดียวนะไม่อยากให้นไม่ดี แต่ถ้าเรานะ่เพียงแค่เออรู้ว่าความคิดหรืออารมณ์นี้มันเกิดขึ้นนะไม่ต้องเข้าไปยึดมันว่าออมันเป็นตัวเราก็แค่เห็นว่ามันเกิดขึ้นนะนะมันจะมีเรียกว่ามันจะสามารถปฏิบัติทำขณะที่ที่ทํางานได้นะขณะที่เราทํางานเราก็อาศัยดูเนี่ยแหละดูกายที่เคลื่อนไหวไปนะจะเดินไปนั่นไปนี่จะหยิบนั่นหยิบนี่เราก็อาศัยดูกาย ที่เคลื่อนไหวพอจิตใจมันเคลื่อนนะที่จริงจิตใจมันเคลื่อนบ่อยมากนะจิตใจไปคิดบ้างจิตใจมีอารมณ์บ้างมีความรู้สึกบ้างมันเคลื่อนบ่อยมากในแต่ละวันถ้าเราสังเกตรู้ทันได้เนี่ยเราจะปฏิบัติทําได้เรียกว่าแทบทุกขณะขณะที่เราใช้ชีวิตเลยเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นจิตใจมันมีอารมณ์มีความรู้สึกมีความคิดต่างๆเกิดขึ้น แล้วก็แค่เป็นผู้สังเกตเห็นเห็นเฉยๆนะ เ, ออเดี๋ยวมันก็พุดเดี๋ยวมันก็คิดเดี๋ยวมันก็ไหวเดี๋ยวมันก็เรียกว่ากระเพื่อมแล้วก็แค่สังเกตดูอาการที่มันแสดงนะโดยที่เราไม่ได้เป็นผู้แสดงกับเขาด้วยนะเราทําหน้าที่เป็นคล้ายๆเป็นผู้ดูอะนะเหมือนเราดูละครนะก็ดูดูนักแสดงเขาแสดงละครไปนะเราไม่ต้องไปเป็นผู้แสดงด้วย เราไม่ต้องเป็นผู้กำกับนะละครนั้นนะเราไม่ใช่เป็นผู้ไปเขียนบทไปวิพากวิจารนะเพราะนั้นถ้าเราหลงไปเป็นเช่นนั้นน ะ, ะก็ไม่เป็นไรแล้วก็แค่รู้ทันเออเราหลงไปไปอินกับกับเรื่องราวที่จิตเขาแสดงนะแล้วก็กลับมารู้สึกตัวใหม่เราหลงไปวิพากวิจารกับความคิดกับอารมณ์ที่มันปรุงแต่งขึ้นในจิตนะ เราก็เออกลับมาใหม่นะเพราะบางทีเวลามีความคิดมีลมบางทีเราก็มักจะเออทาไมมันถึงคิดแบบนั้นเนาะนะเราก็จะมักไปสาวหาเหตุหาผล น, นะหาความถูกหาความผิดนะหรือบางทีเราก็มีความชอบมีความชังเกิดขึ้นเราก็แค่รู้ทันนะเราก็แค่รู้ทันอเพราะว่าที่จริงการปฏิบัติธรรมแล้วทุกสภาวะธรรมที่เขาแสดงเกิดขึ้นนะ นะมันเป็นความจริงท <building> <uit> ี <possibly itive> ่เกิดขึ้นนะแต่มันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราจะต้องเอาตัวตนของเราไปรับกับทุกอย่างที่มันแสดงตรงนั้นหน้าที่ของเราเป็นเพียงแค่ผู้รู้ผู้ดูว่าอ้อความคิดนี้มันเกิดขึ้นเนาะนะเราก็แค่รู้ว่าเออมัเป็นความคิดหนึ่งอารมณ์นี้มันเกิดขึ้นเนาะเราก็แค่รู้ว่าเป็นเพียงแค่อารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะ แต่อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับกายหรือดจิตนี้เราก็แคด่ดูเขาแสดงไปเฉยๆนะถ้าเรามีสติเป็นเพียงแพ่ยผู้ ด, ดูนะมันก็จะสนุกมากในการใช้ชีวิตนะในการใช้ชีวิตเราทำงานเราก็ไม่รู้สึกว่างานเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถปฏิบัติทําได้เราก็สามารถปฏิบัติทําไดนะ้ในการทำงานแม้บางทีอาจจะเหนื่อยกายบ้างนะ หรือบางทีก็อาจจะล้าถึงจิตใจบ้างนะแต่จริงเหนื่อยกายนะพักผ่อนก็หายกินข้าวก็มีแรงกลับขึ้นมานะแต่ความทุกข์ที่เกิดจากการเหนื่อยใจนะเหนื่อยใจในการที่ไม่อยากทํางานหรือว่าเหนื่อยใจในการที่รู้สึกว่าไม่ชอบใจถ้าจิตใจมันวุ่นวายจิตใจมันฟุ้งซ่านเพราะว่าทําการทํางานหรือเกี่ยวข้องกับผู้คนนะอันนี้แหละที่จริงตอนนี้มันน่าจะเป็นความทุกข์นะ ในการวางจิตที่ผิดของเราเองนะเราต้องกลับมาปฏิบัติธรรมที่ตรงนี้ให้ได้นะในการวางจิตใจของเราให้ถูกนะแต่ด้วยการที่เรียกว่ามองการงานว่ามันมีคุณค่าอย่างไรกับตัวของเราเองก็ดีหรือว่ากับเพื่อนร่วมโลกของเราเองก็ดีจะมองเช่นนั้นก็ได้หรือว่าเราจะศัยว่าเอานี้แหละเอาฐานในการทำงานนี่แหละ เป็นฐานในการเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเองไปเลยเป็นการฝึกสติเลยนะสติปัฏฐานมันก็มีทั้งสี่หมวดนี่กายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมเราทำอะไรก็แล้วแต่ที่จริง่นะสติปัฏฐานทั้งสี่หมวดนียมันแสดงปรากฏการของเขาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะตราบตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี่นนะนะกายมันก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ก็มีตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิดจนทั้งถึงตอนที่เราตายเวทนาความรู้สึกก็มีอยู่ตลอดเวลานะบางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์บางครั้งก็เฉยนะเป็นกลางๆหรือแม้แต่เรื่องจิตใจก็เหมือนกันนะบางทีจิตใจมันก็มีจิตใจที่เป็นปกตินะไม่มีอารมณ์ต่างๆเข้ามาเจือก็มีเรียกว่าจิตใจเป็นปกติ หรือบางทีจิตใจก็มีอารมณ์เกิดขึ้นเป็นความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านบ้างมันก็มีแสดงตลอดเวลานะจะเรียกว่าจิตใจที่ปกติกับจิตใจที่ไม่ปกติก็ได้นะหรือสภาวะธรรมต่างๆที่เขาแสดงอาการนะอย่างเช่นนิวรณ์ห้าก็ตามนะหรือว่าเรื่องราวต่างๆก็ตามที่เขาก็แสดงกระ บ, บวนการของธรรมอารมณ์นะการเกิดขึ้นการตั้งอยู่ การดับไปของสภาวะธรรมต่างๆเขาแสดงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วที่จริงเนี่ยสติประฐานทั้งสี่ฐานเนี่ยเขาแสดงปรากฏการตลอดเวลาเลยนะเพียงแต่ว่าเราจะมีสติคอยรู้ทันไหมถ้าเรามีสติคอยรู้ทันได้เนะาะจะรู้ทันฐานไหนก็แล้แต่เนี่ยก็เรียกว่าเราก็ปฏิบัติตามนะแนวทางของการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนะ เพียงแค่เรากลับมารู้ทันกายรู้ทันใจในปัจจุบันนั่นแหละคือการเราปฏิบัติธรรมแล้วนั้นการทําการปฏิบัติธรรมมันก็เลยไม่แยกนะไม่แยกวิถีชีวิตนะว่าเราจะเป็นนักบวชหรือไม่เราจะมาเป็นนักปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดหรือเปล่าหรือเราออกไปใช้ชีวิตข้างนอกนะถ้าเราสามารถตามรู้กายตามรู้ใจของเรา นะได้อยู่ตลอดเวลานะนะเราก็จะเห็นเราก็จะเป็นนักปฏิบัติธรรมอยู่เสมอแล้วถ้าเราปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นว่ากายนี้ก็ตามใจนี้ก็ตามมันไม่ใช่ตัวเราอันนั้นแหละเราก็เกิดปัญญาเห็นแล้วว่าออกายนี้มันก็เป็นสักแต่ว่ารูปเท่านั้นนะหรือว่าจิตใจเนี่ยก็เป็นสักแต่ว่านามเท่านั้นมันมีตัวเราเมื่อใดมันก็ทุกเมื่อนั้นนะ ที่เราได้ส่วนว่าที่จริงขันทั้งห้าเนี่ยมันมีอยู่นะทุกรูปทุกนามมันมีขันทั้งห้าอยู่แล้วแต่ความทุกข์มันเกิดจากเพราะว่าอุปทานขันทั้งห้าเนี่ยมันนำมาซึ่งความทุกข์อุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นในขันนั่นแหละมันนำมาซึ่งความทุกข์เมื่อไรที่ไปดองยึดกายว่าเป็นเราเมื่อนั้นก็ทุกข์เนื่องด้วยกายเมื่อไหรที่ดงไปยึดจิตว่าเป็นเราเมื่อนั้นก็ทุกข์เนื่องด้วยจิต แต่เพียงแต่ว่าแค่เรารู้ทันว่าอ๋อมีปัญญาเห็นว่าอ้อที่จริงกายเนี้ยก็สั์แต่ว่ากายนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตเนี่ยก็สักแต่ว่าจิตนะไม่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อนั้นเนี่เราก็เป็นอิสระนะจากความคิดจากความผูกพันจากการยึดถือว่ากายเนี้ยจิตเนี้ยเป็นของเราเมื่อนั้นะเราก็ปฏิบัติธรรมแล้วอันเนี้ยคือเราคอยปฏิบัติธรรมแบบนี้ในการ ตามรู้กายตามรู้ใจอยู่เสมอนะนะมันก็แสดงปรากฏการณ์ต่างๆแล้วก็จะได้เกิดความรู้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราวางใจเช่นนี้ได้ถ้าเราปฏิบัติธรรมเช่นนี้ได้นะเราก็จะสามารถปฏิบัติธรรมได้ตั้งแต่เรียกว่าตื่นจนหลับเลยนะตื่นขึ้นมาแล้วก็มีกิจวัตรในการพ้าผ้าโฮมในการเก็บที่นอนในการแปลงฟันในการเดินมาทําวัดเช้าแบบนี้เราก็ตามรู้กายได้สวดมนต์ทำวัด แล้วก็เรียนรูนะ้ในการรู้ทันกายเคลื่อนไหวหรือบางทีก็ได้น้อมนําคําสวดมนต์นะหรือบางทีก็ได้พิจารณาเป็นปัญญาจากการคิดนะหรือบางทีเราก็รู้ทันสภาวะที่มันแสดงปรากฏการจากการเกิดดับเออเดี๋ยวก็สวดมนต์เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็มีดงไปอนนะี้มันก็แสดงอาการต่างๆความจริงให้เห็นนะไม่ใช่ว่าสวดมนต์จิตต้องอยู่กับการสวดมนต์อยู่เสมอนะ ปฏิบัติทำแล้วจิตจะต้องอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่เสมอเขาแสดงอะไรเกิดขึ้นเราก็ดูมันนั่นแหละนะจิตถ้าเราวางแบบนี้นะโอ้มันจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่มาเป็นความจริงที่เขาแสดงนะแล้วก็แค่ดูมันไปนะหรือบางทีเราเกี่ยวข้องกับการทํางานเช่นไปบินธ บ, บาทํางานครัวนะหรือว่าดูแลหน้าที่รับผิดชอบบางอย่างโดยเฉพาะของเราเองเออเราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นภาระ เออก็ดีเนาะงานพวกนี้มันเป็นประโยชน์ต่อตัวของเราเองเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะแล้วก็ไม่ใช่แค่เป็นประโยชน์ต่อโลกเท่านั้นแต่มันเป็นตัวทดสอบว่าปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยมันก้าวหน้าหรือไม่นะเพราะบางคนนี่ปฏิบัติในรูปแบบแล้วรู้สึกว่ามันทําได้ดีนะแต่พอปฏิบัตินอกรูปแบบแล้วรู้สึกว่ามันทําไม่ได้เลยแสดงว่าการวางใจของเราเอง หือว่าการปฏิบัติธรรมของเราเองมันก็เรียกว่ามันยังยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรนะเราก็ต้องฝึกต่อไปถือว่าการทํางานนี่บางทีเป็นเรียกว่าเป็นอาจารย์นะเป็นบททดสอบหรือว่าเป็นการบ้านก็ได้นะเป็นการบ้านที่เราต้องฝึกให้มันทําให้ได้เสมอเสมอกับที่เราปฏิบัติในรูปแบบด้วยนะเพราะว่าถ้าเรายังแยกแยะว่าเราปฏิบัติในรูปแบบ แล้วก็ปฏิบัตินอกรูปแบบนะมันยังทําได้ดีไม่เท่ากันนะหรือเราแยกแยะว่าขณะที่เราไม่ทํางานหรือขณะที่เราทํางานแล้วนะมันยังไม่สามารถทําได้ดีเท่ากันเนี่ยมันก็เรียกว่ามันก็การปฏิบัติธรรมของเราก็ยังไม่ใช่นะสิ่งที่นะเรียกว่ารับประกันได้นะว่าจิตมันจะไม่ทุกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็ยังมีการเรียกว่า เหมือนคล้ายๆเลือกที่รักมากที่ชําอยู่หรือว่ามันจะทําได้ดีก็ต่อเมื่อเงื่อนไขมันเป็นเช่นนั้นเงื่อนไขเพราะว่าไม่ต้องใช้ความคิดเงื่อนไขเพราะว่าไม่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คน เ, เงื่อนไขเพราะว่าอยู่กับอิยธบทเดิมอยู่เสมอนะจิตก็มีความสุขจิตก็ตั้งมั่นได้อันนี้มันก็เป็นเพียงแค่เงื่อนไขหนึ่งเนาะแต่เราเอาศัยชีวิตจริงของเราเนี่แหละเนาะชีวิตจริงของเราที่ ที่คอยฝึกหัดนะจิตใจบางทีก็อาจจะล้มบ้างท้อบ้างเหนื่อยบ้างนะก็เป็นธรรมชาตินะแต่ก็แต่บางคนมกมุ่นกับการทางานเกินไปนะจนดื้อปฏิบัติในรูปแบบนะอันนี้นก็อาจจะไม่ถูกเหมือนกันนะนะขณะที่มันไม่มีงานที่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องจิตบางทีเราก็ต้องรู้ทันความคิดนะว่าจิตเราฟุ้งไปหางานทำหรือเปล่า หรือบางทีเราจะสังเกตเลยว่าบางทีเราปฏิบัติในรูปแบบอ่ะบางทีเอ่อปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันเห็นเพื่อนทํางานนี่ยจิตมันอยากจะไปช่วยเพื่อนละนะ ท, ทั้งที่เราตั้งใจว่าเออบ่ายเนี้ยเราจะปฏิบัติทําในรูปแบบดูนะบางทีจิตมันก็จะฟุ้งไปละหรือบางทีเราเก็บอารมณ์เนี่ยมันจะเกิดเห็นจิตได้ง่ายเลยว่าโอ้พอเราต้องอยู่กับรูปแบบปฏิบัติทำอ่าเจ็ดวันบ้างสิบห้าวันบ้างเนี่ยจิตมันจะ คิดอยากทํานั่นทำนี่นะเห็นกุฏิเออ่ไม่เรียบร้อยก็อยากจะไปจัดเห็นทางเดินจงกลมเอไม่ค่อยเรียบเห็นหญ้าอยู่ข้างกุฏิก็รู้สึกมันรกตานะแต่ก่อนจะเข้าเก็บไปรมไม่รู้สึกว่ามันขัดตานะนะก็รู้สึกว่าทางจงกรมก็เรียบดีก็รู้สึกว่าเออทํางานมามากก็อยากจะพักบ้างแต่พอทําในรูปแบบแล้วบางทีก็จิตก็จะแบบ ไหลนะอยากจะไปทํานั่นทนํานี่นะหรือบางคนก็เรียกว่าทําแต่กิจภายนอกนะขยันแต่การทํางานภายนอกแต่ดืมการทํางานภายในก็คือการดูดูกายโดยใจตนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดประโยชน์แค่แค่ภายนอกเนาะแต่ไม่ไม่เกิดประโยชน์ตนนะเราก็ต้องเรียกว่าค่อยๆฝึกกันเอานะผมคิดว่าก็ทุกคนก็สามารถฝึกได้เนาะฝึกได้นะทุกคนนะั่นแหละ เราก็ต้องอาศัยการวางใจว่าทุกเวลาที่เราเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆนั่นแหละนะเป็นการฝึกตนเราจะอยู่กับตัวของเราเองผู้เดียวก็ดีหรือเราจะอยู่กับเพื่อนอยู่กับงานก็ดีนะเป็นขณะที่เราสามารถฝึกตนได้เหมือนอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ใช่จะรอโอกาสนะในการมาปฏิบัติอยู่ที่วัด หรือรอโอกาสในการปฏิบัติในรูปแบบเท่านั้นแต่เราต้องเป็นผู้ที่รู้จักเฉวยโอกาสนะเฉวยอากาศอยู่ทุกขณะนะเป็นการปฏิบัติทําให้ได้นะแต่ทาอะไรกไ็แต่เราพยายามเฉวยอากาศนะแต่ถ้าช่วงไหนที่เออมันไม่มีภาระแล้วนะอย่างที่หลวงพ่อท่านพูดว่ามันเป็นเหมือนอด็กกับลาบของเราแล้วโอ๋อนะดีเนาะนะงานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ่ะช่วงนี้ก็ว่างเหลือเกิน ได้มีเวลาเดินจงกรมได้มีเวลาอนั่งยกมือสร้างจังหวะได้มีเวลาทําสมาธินี่โอ้มันก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอนเดเดกราบเนาะที่จริงชีวิตพวกเราเนะที่เป็นนับบวชหรือที่อยู่ในวัดนี่ผมมองว่าเป็นอเนเด ก, กราบมากเลยนะนะงานที่เราทํานี่ถ้าเทียบกับทางโลกเนี่ยมันไม่เหนื่อยมันไม่หนักเท่าคนทางโลกหรอกเนาะใช่ไหมก็มีบ้างแต่สี่งมันไม่เหนื่อยไม่หนักไม่ได้ลําบากมากหรอก ถือว่าเป็นอะเดเรกระดาด้บไปนะชีสพวกเราที่ได้มาอยู่ที่วัดนะถือว่าเป็นอะเดเรก้าด้ามากนั้นให้เรามองว่าเนี้ยอันนี้เป็นอะเดเรก้ด้บของเรานะให้เราฝึกขัดตนให้ดีที่สุดแล้วเราเมื่อเราได้ดาบตัว น, นี้แหละนะได้ดาบในการที่มีเวลามากกว่าคนอื่นได้ดาบในการที่เราได้มีวิถีชีวิตที่เรียกว่ามันมีธรรมะเกื้อกูลตั้งแต่เช้าจนค่ำเนี่ยแหละ เราเอาวิธีชีวิตตัวเนี้ยไปการฝึกตนให้มากแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับคนอื่นนะตามโอกาสตามเรียกว่าตามสภาวะที่มันเอื้ออํานวยเนะี่ยมันจะเกิดประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านนะเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายซึ่งผมว่าตรงนี้แหละเป็นเป็นจุดหมายในการใช้ชีวิตของเรานะในการได้มีเกิดมาในการมีชีวิตแล้วนะมันมีประโยชน์ที่เกิดทั้งประโยชน์ตนนะในการฝึกขัดตนนะ ให้เข้าถึงขึ้นงความไม่ทุกข์หรือว่าความพ้นทุกข์เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นในการที่จะช่วยผู้อื่นให้เขาเรียกว่าพ้นจากความทุกขนะ์เป็นประโยชน์ต่อพระศ า, าสนาเป็นการต่ออายุของพระพุทธศาสนานะพระพุทธ์จัดท่านตัดเลยว่าตราบใดถ้ายังมีคนที่เจริญอริยมรรคมีองค์แปดอยู่ตราบนั้นโลกก็จะไม่บ้างจากพระอรหันต์ศนะาสนาอาจจะไม่เจริญเนื่องด้วย มีวัดใหญ่ๆมีนักบวชเยอะๆมีคนที่ประกาศตนว่านับถือพุทธศาสนาในทะเบียนบ้านในสมโนครัวเท่านั้นแต่จริงพุทธศาสนาจะเดินตาบตาบใดที่มีคนที่เรียกว่าจะเดิน อ, อริยมรรคมีองค์แปดอยู่เนี่ยเป็นการสืบทอดทร้พุทธศาสนาน ะ, นะ 2,600 ปีนะพุทธชยันตีที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นะอาจจะสืบทอดพัพุทธศาสนาอย่างไร ก็นี่แหละในการที่เราทำตนเป็นชาวพุทธนะที่ถูกนะหรือบางทีเป็นการช่วยทั้งโลกด้วยนะโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็แล้วแต่นะเขาจะรักเขาจะชังชาวพุทธเราหรือไม่เออไม่เป็นไรแต่จิตใจชาวพุทธเราเนี่ยต้องมีเมตตานะมีเรียกว่าความปรารถนาดีกับทุกสรรพสัตว์ทุกสรพกรพชีวิตนะนะอันนี้เป็นจิตใจที่เรียกว่าเกิดประโยชน์ ต่อคนทั้งโลกเลยก็ว่าได้เนาะนน ก, ก็ฝากไว้ใ น, ในชาวันนี้